Dan tafel van en tafel aan allerlei. Samen met wanneer, terug op een die je, mei tot nu in 2533. Luisteren, als je je beweegt, en diep, want we waren in deze tijd, Ik วันนี้จะขอคุยเรื่องพุทธปัจจากรคำว่าพุทธปัจจากรนั้นมันได้หมายความว่าพระพุทธเจ้าปัจจากรเมื่อก่อนนิพพานพระพุทธเจ้าทรงปัจจากรไว้ตั้งแต่ พ.ศ. 2503 2521 อาตมาได้รับพระราชดำรัสจากพระบาท วิบตายะชมพุทธบริสัตย์หลายโดยทุนนาต้องต่างก็สละทรัพย์ หลังจากนั้นมาปี พ.ศ. 2525 ก็เริ่ม มันเอาหนังสภาพที่เรียกว่าเอาขั้นขั้นตายเมื่อปี พ.ศ. 2528 เวลานั้นร่าง เท่ออ coach Savior Grossing Monate, um kunnen we de en de Het is een hele belangrijke oefening. Het een oefening die je je eenmaal eenmaal eenmaal eenmaal eenmaal eenmaal eenmaal eenmaal eenmaal eenmaal eenmaal eenmaal แต่ก็บอกว่าฉันจะว่าให้ได้แล้วจารย์นั่นก็ท่านก็บอก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 พระจึงแสงโสมปิระอปิระยวราภรณ์ในแพทย์ <c oughs> แพทย์เนรเทศจึงตื่นใจนี่ไฟนี่นี่ไฟฟันท่านก็ได้ๆบรรดาญาติ ไม่ใช่ไม่จะจ่ายเงินมากนายแพทย์เป็นคนจ่ายทั้งหมดที่พูดวันนี้ทั้งหมดแพทย์เป็นคนจ่ายไม่ไม่ <c oughs> ศรัทธาบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเวลาที่ <c oughs> ในตอนนี้ก็ไม่ขอตอบไม่ขอเถียง แล้วก็ตรงกับชุดกับโรคที่เป็น 2531 เดือน เวลานั้นอาตมาไม่สบายมากก็ <c oughs> พูดกันอย่างพระกันอย่างพระท่านนี้ ก็คิดว่าปล่อยให้ร่างกายมันตายไปเถอะเราขออยู่มันนี่เสียงแห้งมากโยมก็ถามได้ว่า <c oughs> ท่านบอกว่าต้องหวัยอีก 2 ธันวาหรือถึงธันวาคมปี พ.ศ. เดือนเดือนพฤษภาคมจะมีขึ้นยนต์จะดี 2532 ท่านก็มา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 เชื่อไข้มันกินมาตั้งแต่ พ.ศ. 2525 หมอ แต่การไม่หลับที่ความจริงเท่าไม่มีงาน <c oughs> ก็ได้ยาประสัดกนันนี่มารู้สึกว่าร่างกายประสาทร่างกายดีขึ้นมากค่อยๆดีขึ้นตามระดับจนกระทั่งเห็นว่าร่างกายใน ก็ต้องใช้การสวนกันใช้วิธี <c oughs> ก็พอดีเดือนพฤษภาคมทศ 2 2523 2 ธันวาคม หมอก็ดีตัวก็ไม่ต้องการให้ประกาศว่าเธอคือใครหมอคือใครนี่ 3-4 วันรู้สึกอาการดี ร่างกายอย่างนี้จะถือว่าดีไม่ได้ยัง <c oughs> 70% แล้วก็ 30% ร่างกายเรร่อนมาก เมื่อวศาสตรไม่เรรวนนั้นให้ใช้ อันนี้คําว่ามีคนก็เถียงว่าพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วพบได้ยังไงตอนนี้ก็ <c oughs> อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ดีนี่เป็นฤทธิ์ทั่ว อาตมาก็ไม่ขอเถียง 3 อภิญญา 3 ส่วน ถ้าแต่ 3 ส่วนนี้แล้วก็เขาจะยืนยันว่านิพพานมีสภาพไม่สูญแต่ถึงแม้ว่าท่านสุขวิปัสสโกท่านจะไม่เห็นนิพพานท่านก็ยืนยัน แต่พูดจังว่ารู้ท่านก็คงจะไม่ตอบให้คงจะนิ่งทั้งนี้เพราะอะไร อันนี้ก็ยอมรับทีนี้เรามาคุยกันอีกทีเพราะท่านบอกว่า เทวดานางพระพรหมมีขันธ์ 5 ไหมถ้าใครคนไหนตอบว่ามีก็ทราบว่าคนบ้า ในเมื่อเทวดากับนางแล้วคนที่มีความเป็นทิพย์ นิพภส kidnapped zu ham, Mike said that they did no IRS, so don't go to him special. He used to murder the collectors, an死ес who passed along, the era that was the case that they were unable to. That is why they didn't make a commitment. He was the one male who's the estas Dreeter Brigham. If God did murder his tales that he is so supporter of thebernator of hisaaaaan バート of Nu niet meer te worden aangedragen. meer kwam bentief, dat meer bentief, dat je niet meer bentief, dat je meer bentief, dat je niet meer นะนั้นถึงบุญถ้านึกถึงบุญมีกําลังใจเข้มถ้าคนนี้ถึงนิพพานมีจิตสะอาดที่สุดทําไมจะไปนิพพานไม่ได้ในเมื่อเทวดากับพรหมซึ่งมี มีวิมานที่เป็นทิพย์อยู่ได้นี้นิพพานคนที่จะไปนิพพานมีมีมีความสะอาดของจิตมากมีบุญญาธิการมากทําไมจะมีวิมานอยู่ไม่ได้เวลานี้ไม่สนึกดึกเล็ก แล้วก็พวกที่สอนคนให้ไปสวรรค์ คือว่าไม่ปฏิบัติตามธรรมะที่พระเจ้าทรงทรงสอนจริงทั้งนี้เพราะอะไรเพราะติดตำราตำราเนี่ยเค้า ขỉnh ถูกแต่กําลังใจของท่านมีความเข้าใจไม่ถูกจึงบอกว่านิพพานังปรมังสุนยังมักจะอ้างกันว่านิพพานเป็นอิสภาวะ ความว่าสูน이 부분แร่ว ว่างนิทธานทำว่างอย่าง clinicians arr pig a r p t h um v t h o r p 36顯5 w g m f r v e p h a n b r p h a r y a h w a h i b e b v a d h ยิ่งพาร์ Lightning Railway P thum5 เมื่อให้ทำว่างยิ่งไม่ใช่สภาวะแววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววว que ว 완berry. ความวววววววววววัว元ก็หมายทั้งกี่เหร Pls ik heb geen idee dat ik in de buurt heb. Ik heb geen in in de in in เพราะมรโลกมีจิตเป็น ความจริง 3 วันมันก็เริ่มดีขึ้นแต่ทั้งวันนี้ก็รู้สึกว่าร่างกายดีขึ้นมากแต่ว่าเสียงมันให้อ้ำเป็นของธรรมดาเพราะ เออเมื่อคืนนี้โทรศัพท์ ก็ 2 ฝ่ายแพทย์แผนบัวมาปัจจุบันบังคับประคองมาหลายปีทั้งทั้งประสาทเริ่มมีกําลังขึ้นเวลานี้ก็แพทย์แผนโบราณมาช่วยอีกชั้นหนึ่งก็ใช้ยาทั้ง 2 ประเภทนี้ร่วมกันร่างกายค่อยๆดีขึ้นค่อยๆมีกําลังขึ้นแทนการ ก่อนจะ 2 หลวงพ่อวัดป่าน้ำภาษีเจริญ ja 6 หลวงพ่อจงวัดป่าครอง ท่านพระกุรุฑมสมาจารย์พระครูสังวัดวัดเอ่อ ทำแบบเบาๆชื่อกำลังใจไม่แน่นหนัก <c oughs> ก่อนจะหลับหัวนอนถึงหมอถึงหมอน และนางจิตชอบอะไรทําตามนั้นหลังจากนั้นก็ออกจากร่างกายก็สนทนาประสาย หลังจากนั้นก็เอาที่ได้ก็ไปหาโยมที่บรรดุขมนศิลาอาตแล้วก็ไปหาท่านผู้มีคุณทั้งหมดที่ระหว่าง <c oughs> Historic's justice yet on Prince all, his fate islessness. Okay so I'm gonna ask the background, whose right is when слimy to repent, so I'm gonna hear what they talk about and tell farmers where they break from. You still have a string and dry hopelessness, and you're gonna try to speak this. Again, I'm gonna say anything for the truth. Once this whole shortly tumors, the closest mayors will dad prior to the number of people. เอ่อองค์สมเด็จทุกอย่างเวลานี้พอเราคําว่าจริงทุกอย่างเวลาบอกหมดเวลาก็ปรากฏ แสดง <ม. S 1>